เราไปกับมาต่อนะครับสุราปลาละวัางในข้อสมควนเมื่อวานนี้ได้สองข้อใช่ไหมข้อดื่มสุราแล้วก็ข้อที้เรื่อนิ้วมือใช่ไหมครัสองข้อนี้จขึ้นข้อสามนะครับข้อเกี่ยวกับการเล่นน้ำร้อยเจ็ดสิบเจ็ดนะครับ <15 3 S 1> ข้อที่ห้าอสามต้องอาบับดตามจิตตีในข้อการเล่นในน้าที่ทลึกท่วมตามตุ่มเป็นแง<ล> <laughs> เล่นน้ำในแก้วต้องอานบัตุก่อนเพราะการเล่นเป็นกิริยาที่ไม่เหมาะครับอืเล่นในแก้วนะครับที่สูเล่นน้ำครับต้องอาบัตุปลาดีเอาน้ำลึกแค่ไหนที่ต้องไปจริงน้ำลึกแค่ท่วมตามตุ่มครับอันนี้ต้องบอกไปอีกิีนะถ้าลึกกว่านี้ก็ก็ต้องไม่น้ำแหลกครับตั้งแต่นี้ไปนะแต่ว่าถ้าน้ํามันตื้นแบบตามตุ่มเนี่ยก็จะเป็นอาบัตุก่อ เป็นท่้เท่าเล่นเป็นทั้งหมดแหละขนาดแม้แต่เล่นน้ําในแก้วเนี่ยนะก็ยังต้องอาบนะไม่ใช่ชงกาแฟไงชงไปชงมาแล้วก็คึกสนุกขึ้นมานะค้อนอยู่นั่นในการเล่นสนุกจริงจริงจริงจริงจริ ง, ง <c oughs> น, นะ่ว่าโดนเลขาบอลเล่นน้ํำชนน้ำอะไรนนี่ยแม้แต่เล่นาน้ําัสาวะนะครับ ก็ยังโดนใช่เลยแต่ว่าถ้าเล่นอย่างเงี้มันไม่ได้ลงไปเล่นในน้ำแคมันเล่นข้างนอกนี่นะครับอันนี้จะต้องบัตรทุกดแต่เช่ไปเล่นสบการณ์ใช่ไหมเอาเน้ําไปสาโยมสาอะไรนี้นะครับนี่นะเขาต้องทุกกดทั้งนั้นนะครับเวลาแล้วลงน้ําขนาดท่วงตาถึงไฟนี่จะต้องไปตีนะครับท่าเล่นน้ําไม่ได้นะครับเนง ก, ก, ก็เล่นไม่ได้ครับ เป็นเหตุใช่ไหมครับเพราะการเร่นเป็นกิริยาที่ไม่เหมาะนะครับไม่เหมาะสมสาหรับพระนะรม้องไได้ไม่ใ่กรรมฐานนะครัอไที่อยากเข้ามาอะไรที่อยากเข้ามาความจริงอย่างอื่นเนี่ยก็ไม่มีนะครับไม่มีเลยต่อนะเอาเฉพาะที่มีนะครับ ที่น่าสนใจว่าในกลรุตุปาปะสมาจารย์น่ะในบาปสมาจาร์นะครับถ้าไม่มีนี่ท่านก็สมัยก่อนอาจารย์ท่านตีหนักเลยนะท่านก็ตีเป็นอาบัตทุกกฎทั้งหมดเลยท่านถือว่าไม่เหมาะสมนะครับทีนี้ทีหลังท่านท่าก็ไม่เอานล้วถ้าที่ว่าเอาตาที่มีในภาพบีิท่านบอกไว้ดีกว่าท่านได้บอกไว้ไหมครับในบาปสมาจารย์ท้างหลายหรือว่าที่มีป า, ก, า, า, าก์าตัสิคาวต่างต่างนะครับแทนตาอ่างนั้นแต่มก็ไม่สมควรนะ ถึงจะไม่ต้องอาบาตใช่ไหมท่านเล่นอย่างน่นอนที่ท่านบ้านใช่ไหมครับแต่มันก็ไม่สมควรนี่นะครับา้ว่าขพเจ้การเล่นข้าพเจ้าว่าการเล่นเบสอลนะอ๋อครับใช่ใช่ม่ไ้บอกอย่างนี้นะเพราะการเล่นเป็นกิริยาที่ไม่เหมาะข้าเจ้าว่าเบลเออเหมือนอาทั้งหมดเลยใช่ไหมครับใช่ก็อธิบายนี่นะครับก็สม <S <s ัยก่อนไงอาจารย์ท่านตีบทนะครับ นี่อาจารให้ก็มาเปลี่ยนใหม่ว่าไม่นั่ น, นครับอายุพ่อที่มีจริงนะแต่ความจริงมันก็ไม่สมคูรอยู่แล้วอย่างเช่นพี่สุหนุ่มน้น้อยจริงจรินองนะเล่นแย่กันว่าอะไรมากภาษาหับพันนะบางทีมันเป็นกิริยาของค้ารือหารนะครับเราจะมาอะไรห่อล้อกันเหมือนกับโยงนั้นมันดูไม่เหมาะแล้วนะเราเป็นผ้าแล้วนะครับในนักธรรมมันมีใช่ไหมที่อะไรทาที่ควรบางทีควรพิจารณาหนึ่งๆนะ่ะมีอยู่ข้อนึงใช่ไหมครับ หลวงพ่อว่าอย่างไงนะครับอาการกิริยาใดๆของสมณะใช่ไหมเราจะต้องทรมานกิริยานั้นนะครับ น, นี่นะนประมาณนี้นะนนะคือไมแ่แสดงอาการกิริยาของคลรวะอะไรนะครับไปโหตลงคะนองอะไรนั้นเล่นหยอกล้อกันอย่พวกเด็กวัยรุ่นคะนอง น, นี้นะ่ะมันก็ไม่สุขอ น, นะครับถึงแม้ว่าอาบัตจะไม่มีนะแต่มันก็เป็นด้วยกิริยาที่ไม่เหมาะ ไม่อยากศรัทธาให้เกิดในนี้นะนครับก็ดูให้ดีกันกันนะแต่ถ้ามีครูบาอาจารย์ก็จะแนะนำสั่งสอนได้นะนะเพราก็่าจะบอกนี้ใครจะทาตามหรือไม่ทาก็แล้วแต่นะีน่นะครับ อ, อครับนี่น่ผ่านอปุบ้าครับไปไม่เป็นไปดีทีลยครับ อ g, ๋อไปติดไปชอบใครดีว uh, ่าติดใครมาับเพือเปลี่ยนอะไรเนี่ยครับคำว่าไปไปติดอะไรนะไปติดไปติดไปติดมผู้หญิงไงอ๋อก็ติดผู้หญิงมาครับอ๋อเขาพูดเล่นใช่ไหมครับว่าสงสัยไปติดผู้หญิงมาใช่ไมก็เลยเปลี่ยนสายอ๋อไปชอบใคร ไม่มีไม่มียอดนะไม่หยุดคำอ๋อให้อภไปยอดใช่ไหม <S <S พูดล้อเรียนเข้าอย่างนั้นใช่ไหมครับนี่นะมันจะมีอาบัตินี่ก่อนไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจพูดโกหกใช่ไหม <C oughs> แค่พูดหยอกลอ้อเฉยๆใช่ไหมครับนี่นะจะโดนอาบัติทุกบผาสึกก่อนดีกว่านะถ้าทุความสึกกลางล้อเรียนใช่ไหมครับล้อที่ตัวเขาเนะี่ยเอาที่ตัวเขา ชาติชื่อครอบตระกูลอะไรพวกนั้นใช่ไหมครับทั้งหมดนะไม่ได้โดนป่ออนะร้าเดียวนะข่าวมไม่มีไม่มีหรือว่ามาที่มานอกเ้าะบาหีมีชาติชื่อครอบคอตระกูลอันเดียวกันนะครับอะไรนะโลค<ล>นะครับอาชีพ น, นะครัการงานอาชีพอันเดียวกัน ศิละปะนะครั บ, าบา ล, ลูกพันอาบาทคำดา่าอะไรนัก ไ, ไ, ไ, ไปแล้วมันไม่ครบซิโรคของข้าโรคใช่ไห ม, รไหมนะโรคไปแลกๆนะครับเอาใหม่นะชาติชื่อโคดนะครับโรคพวนี้ไม่ได้หวานนะชาติชื่อโคดอ่อาเดียวกันะนะครับศิลปะการงานใช่ไหมนะครับอาบาัด ลูกพัน์ใช่ไหมครับะไรนะอาบัติลูกพันโรคอโรคนะครับเอาแปลมาจะเป็นหรือแค่แปลกีอกีวอนเอาไหมนะชื่อโคใช่ไครับเอาศิลปะนครับการการงานนะครับนี้ต่อไปรูปพันุ์นะครับ รูปพันครับแล้วก็โรคแล้อาบั น, นะครับคำดา่านี่ไปลืมอะไรอันนี้คำดา่าใช่มั้ยมนัได้ก้าวถ้าจำไม่ได้ก็ต้องพลิกกับไปดู <c oughs> พลิกกับไปดูควา ม, ามวิ่นวามาให้เปลยแล้วก็พอพลิก <c oughs> ได้นู่นในข้อนึงเลยเขียนติดไว้เลยนะครับ นี่งงนีด่ดเขียนไม่ตรงเลยนะน้อยเขีย น, น, รนยกรรนดาเลยชหครับรนี่ตรงคำมดอ้าวให้นึกออกว่าอะไรครับชาติกเลสครับอ้าวกีเลสกิเลยใช่ไหมมีช า, าชืา่อการงาน อ๋อตกกิเลสไปตกกิเลสไปเออข้าตกกิเลสไปกิเลสอยากเพั white. ้นอะไรใช่หเนี <cả> ่ยครับอันนั้นจะอยู่หรือเปล่าอยู่ที่ไหนน่าจะเข้าในกิเลสมั้งบอกว่าไปเกิดราคะไปชอบใจอะไรคนที่นู่นใช่ไหมครับมาได้นะอาจาพูดตรงกับผมตอ๋อครับก็คือยังยังใช้คาที่อยู่ในนั้นนะในสิบข้อครับในสิบข้อ เขนนะาไม่ใช้คำนั้นถ้าม่ใช้คํานี้ก็ไม่มีมันจะมีนะ่ะใช้คําเนี่ยสิบอย่างหรือว่าสิบอย่างอะไรที่มานอกพระบาลีไม่เช่นคาําด่าใช่ไหมครับคำดา่าท่านบอกว่ามีกียรติเจ้าเป็นอุ่เจ้าเลาเจ้าเป็นอะนไรนะคำด่าสิอย่างแต่ถ้าเอาที่มานอกพระบาลีนะ่ะก็ยังเป็นอาบัติแต่เป็นทุกข์กฏใช่ไหมครับแต่ถ้าทุกข์ฟังติดนะก็หมดนะมาในภาพลิ้นนอกพระบาลีใช่ไหมครับแต่ต้องเรียน ข, ข้างหนึ่งตัวข้องหนึ่ ก็ยังเป็นหมดแต่แต่คือในสิบข้อข้อน น, นะครับนี่น เ, เราสงข้อมีข้าวข้อไหนนะครับก็ดูกันแล้วกันนั่งข้าวหรือเปล่าข้าวจะร้องเรียนร้องเม่ยก็ต้องระวังทีนะสังหรูแล้วกันเราไปไม่ได้ <c oughs> เธอไม่คยอครับเด็ในพระากระายเป็นภาษดีกายควายม่เก่คก่อนเอยไ่เป็นไรนะครับลองสงข้อดูนะผมไม่ค่อยแน่ใจนะครับว่าจะเข้าได้หรือเ่าถ้าเข้าก็แน่เหมือนกับเข้าตับกิเลสนะครับต่อไปนะครับก็มาดูคำอธิบายนะคำอธิบายที่หน้า นี่ทางต้นบัญญัตกร้อยสี่สิหร้อยสี่ดหร้อยสี่สิบเข้ามเขาไม่มีนนะ้อิเดลนค่นนอี่ไงเรื่องของพระสัตรสสาวีครับโดยสมัยนั้นคุณพว่าภาคุณพเจ้าประทําอยู่นาพระเชตวันอารามของนาถวิทกาข้ามบารีเขตพระนครสามเวทีครั้งนั้นก็สัตรัสสาคี กำลังเล่นน้ํากันอยู่ในแม่น้ำอัจจิรวดีเพราะว่าเป็นเด็กนะก็เล่นน้ํำสนุกเลยนะครับขณะนั้นก็เจ้าเกษตรที่โกศลระทถมอยู่หน้าพระปราสาชั้นบนพร้อมด้วยพระนานมมาริกาเทวีได้ทอดพระเนตรเห็นพระสัรสวัสดีกําลังเล่นน้ําอยู่ในแม่น้ำอัจจิรวดีครั้งแล้วก็ได้รับสั่งพระนานมมาริกาเทวีว่านี่แม่แม่มาริกานั่นพระอหันต์กําลังเล่นน้ําครับ พงศก็พูดแล้วสนุกสนุกนนผ้ า, า, าหาันเล่นนะข น, นาดผ้าหันทำคอมยิมม่ <c oughs> พูดแล้วอ่รน <c oughs> สมัยก่อนไม่มีนะใช่ครับแ้วสมัยนี้เนี่ยยังมากสุดถึงผ้าหาาันมีใช่ไหมผ้าหันมี ท่านาคาพึงว่าขอเนเช้า <c oughs> ช้รอยพุ่มพ่าาเจ้ายังไม่ได้ทรงมาอย่างสิขาบทหรือภิกษุเหล่านั้นจะยังไม่สัง่งท่ในพระวินัยเป็นแน่พระพุทธเจ้าข่า <c oughs> ขณะนั้นเช้าเธอทรงลำพึงว่าด้วยอุวันอย่างไรหนอเราจะไม่ต้องกาพรพุ่มพ่าาเจ้าและพุ่มพ่าาเจ้าจะพึงทรงทราบได้ว่าภิกษุเหล่านั้นเล่นนะครับก็หาอุบายรู้บานี่ย ครั้งแล้วเท้าเธอรับสั่งให้นิมนต์พระสัตรัสสวัสดีมาแล้วพระราชทานน้าอ้อยงบใหญ่เกศพิสุเหล่านั้นรับสั่งว่าขอประกุณเจ้าโปรดถวายน้ําอ้อยงบนี้แด่พิมพ์พระภาเจ้าบารพระราชานคราาบาับพระสัตรัสวัีได้นําน้ําอ้อยงบนั้นไปเข้าครอบพิมพ์พระภาเจ้าแล้วกล่าวทูลว่าพระเจ้าแผ่นดินถวายน้ําอ้อยงบนี้แด่องพระพุฎเจ้าข้า พระพาผ้าเจ้าตัดถามว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายก็พระเจ้าแผ่นดินพบพวกเธอที่ไหนเล่าดูออนะครับเนี่ยนะพระรัศมีขีกาบทุนว่าพบพวกข้าพุทธเจ้ากำลังเล่นน้ำอยู่ในแม่นม้ําจีรบดีเป็นพุทธเจ้าข้า<อ>นะครับเราก็บอกทุกอย่างเป็นเด็กไม่เห็นว่าเป็นโทษเป็นอะไรนะเ<อ>พราะวก็เล่น ต, าาต่างมภาษาเด็เคะคะกครับพระดวง ก, ก็ทรงตีตีแล้วก็มายสิทธามุก น, นี้ขึ้นมาลเนะ วันนี้ยังไม่ได้บันลุเนี่ก็มาดูคำอธิบายในกังขาครับขนะ้อ น, นี้ไม่ยากนะถวมยาก <c oughs> หน้าอะไรนะ219อยสิบเก้านะครับข้อ <c oughs> <c oughs> ที่สามอธิบายอาสธรรมะสิกขาบทเขาแปลว่าเป็นปารจิตตีนเพราะธรรมคือหัวเรอะนี่นะนี่หัวเราอยนี้เล่นนะครับเล่นนะ อ่าเือทราบไม่ได้ใช้ในศึกษาบทที่สามต่อไปเพราว่าถ้าเกิดศาสตร์ทำเมท่านกล่าวถึงการเล่นนะ้ำนะครับนะทําคือการเล่นนะ้าเพราะฉะนั้นที่สุใดต้องการจะเล่นนะต้องการจะเล่นนะ้ำแหละไปในน้ําลึกพรท่วมข้อเท้านำลงก็ดีผุดขึ้นก็ดีนะครับอันนี้ต้องไว้บักไว้แค่นี้นะนะครับต้องอ่านบททุกคนต้องขีดทิ้งนะครับ เมื่ออย่างลงเพื่อต้องการจะดำเป็นต้นต้องบรรทุกกดทุกๆุกย่างเท้านะครับหมายขณะนี้กําลังเดินลงน้ํานะเพื่อจะไปดำเป็นต้นนะครับขณะที่เดินลงไปเยก็บรรทุกกดทุกทุกย่างเท้าเลยในการดำลงและขุดขึ้นต้องบรรไปเพื่อทุกครั้งนะครับดำตูยั้ไงโดดลงไป <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็ตัวหนึ่งครับโผลขึ้นมาก็อีกตัวหนึ่งพ <c oughs> ิสูจน์ดำลงไหวไปอยนูะ่ในนะั้นในน้ นั่นแหละต้องบัดปานจิตี้ทุกๆครั้งที่ขยับท้าขยับมือเหมือกับกบใช่ไหม<อ>ดาลงไปแล้วก็แหววว่าไปเด่นานนี่นะครัไปยืดทุกครั้งที่ขยับมือขยับท้าเหมือนกันครับหรือเมื่อว่า้ข้ามไปด้วยอวัยวะส่วนใดต้องบัดปานจิตีิทุกๆครั้งด้วยอวัยวะส่ว น, นนั้นมันใช้ทั้งมือทั้งท้าใช่ไหมอาบัดก็เยอะเลยคร<อ>ับว่ายนะว่าในสนสนามนไม่ได้มีเหตุนะ ต้องการที่ยะไหวเล่นนะครับอันนี้ไม่ได้เลยเป็นไปทีทั้งนั้นนะครับเยอะด้วย <c oughs> เหตุเกิดและประเภทอาบัต น, นะครับสุขาบนบุตรนี้พุทธพาเจ้าทรงปราลบพิสุสัตตะสาวคีบางอย่ายนี้แล้วต้อเหตุคือการอะไรเนี่ายาให้น้ําเล่ น, นครับเล่นน้ําน่ะคือการเล่นน้ําครับไห ว, ว้นี้ไม่เอาน้ํา เ, เล่นนี่ก็น้ําเล่นเล่นน้ํานะครับ <c oughs> เป็นสาธนาหนาบัรยัต พิจิตรนี้ก็มีนะครับอันนั้นติการไม่เกี่ยวกับารใช้นะครับเล่นเองก็ต้องอับัตเองนะติการปาติเตเล่นนะนะรับเข้าใจสงสยัยทนผิดต้องอันบันะเล่นเข้าใจว่าไม่ได้เล่นนีนะก็ <c oughs> มี <c oughs> ทีนี้ตัวเองก็เล่นสนุกสนานนะแต่เข้าใจว่าผมอ่านเฉยๆนะครับทั้ที่เล่นก็ไม่พ้นนะครต้องอับัตแหละ <c oughs> แล้วก็ไม่ได้เล่นนะนะครับสาคัญว่าเล่น เนี่ยถ้าอา่านถ้าเขาเจ้าทนเล่นนะแต่ก็ยังอา่านยังทำอย่างนั้นอยู่นะหรือมีความสงสัยต้องบัดทุกขกดครับพิสูจเล่นในเรือหมายเขาว่าเล่นเรือนะอันนี้ไม่เล่นนะนะครับเล่นเรือด้วยวิธีอะไรนะพายเรือเล่นก็ดีนะครับหรือว่าเข็นเรือขึ้นบกก็ดีนะเจียนาเนหมถึงจะเล่นตัวเรือนะครับแต่ถ้าว่าพายเรือเพื่อไปชมนั่นชมนี่นะนั่นไม่สป็นไรนะนะครับ ไพ่นี่เป่นมันี้จะเล่นตัวเรือนะครับด้วยการพายไปนะถ้าบอกว่าพิสุแล่นเรือด้วยพายและถอดเป็นต้นหรือเข็นมือารขึ้นบนตลิ่งชื่อว่าแล่นเรือเป็นทุกกด น, นะครับประสงค์เล่นตรงนั้นนะอันนี้ต้องหมาทุกกด น, นะครับหรือเอามือก็ดีเท้าก็ดีไม้ก็ดีนะครับกับเบื้องก็ดีขีดน้ํำเล่นใช่ไหมนะครับก็อามือถือว่าลงไปในเรือนะเอามือเท้านะครับก็แกว่งนะวักน้ําเล่นนะ หรือกระเบื้องเศษหินไงก้อนกลัวใช่ไหมใครเปรี้ยงไหมครับเปรี้ยงนะให้ก้อนหินมันกระเด้งฉลัดน้ำเออครับตอนเป็นเด็กนัาสนุกเลยท่านแหละปิ๊งเลยเอาเอาไอ้ก้อนหินแบนๆครับใช่ครับชื่อไปให้มันฉลัดใช่อะไรก็กเด็งไปเลยนะมันก็ต้องอาบัตทุกทุกครั้งที่ทําไปนะครับครั้งที่เล่นนะแต่ว่าเป็นอาบัตทุกกดนะครับอันนี้ต้องอาบัตทุกกดเหมือนกัน เล่นอยู่ในอ่าง น, นะครับเนี่ยไม่ได้ลง น, น้ําเล่นในอ่างเลยนะครับเปิดน้ําใส่กระหม่อมเล่นแบบเล่นนั่ น, นะครับโอ้เกินไปน ะ, ะ <c oughs> เล่นน้ําหมักดองเป็นต้นนี่เล่นสาสตร์คนใส่กันก็ต้องแบบทุกขก่นะครับอืมตอนนี้ท่านจะพูดไปเยอะกว่าที่บอกว่าอะไรเนี่ยพิสูเอามือวักน้ําก็ดีเอาเท้าแกว่งน้ําก็ดีเอาไม้ขีดน้ําก็ดี เอากระเบื้องปาน้ําเล่นก็ดีต้องบัตทุกกลนะครัน้ํานะน้ําส้มน้ํานมเปรียงน้ําย้อมน้ำปลาสวะสดีครับหรือน้ําโคลนซึ่งขังอยู่ในภาชนะที่สูดเ่นต้องบัตทุกกนะครับไม่ได้นั้นเล่นน้ําไม่ได้นี่ครับแค่ไปสระน้ําสงกลางเล่นกระโยนนะโอ้นั่นไม่ได้นี่ครับนี่นะอนามบัตรครับที่สูตรจารึกอักษรในน้ําแสดงเนื้อความควรอยู่ มันนู่จะเห็นหรือเปล่าไมเห็น่ือป่าอาจจะใช้ลิตนะใช้ลิให้ดวหนสือปาากดในน้ใช่มเ ข, ขียน<อ>ไปครับหรือว่าอาจจะเข้าใจกันน ะ, อ, นะอะไรต <c oughs> ่างๆครับอาจจะเป็นน้าข้นหน่อยใช่หมครับที่สูไม่ประสงค์จะเล่นน้าก็ดีนะครับท่านจะไปอ่านไม่เฉยก็น่นคืออะไรเมื่อมีเหตุจาเป็น ลงน้ําแล้วดำเป็นต้นตัวดีได้นะครับเนี่จําจเป็นนะอะไรนะะร่ะแมลงผู้ไล่ต่อยนะครับท่านก็เลยเดีินลงไปในนับโอบเลยนะนี้ว่าหนีเสือก็โดดน้ำนะครับนี่วหนีเสือก็ปะจรเะเข้ใช่ไหมโดดไปน้ํามันไปเจอจระเข้ไม่นะเพราะว่าเสือเสือว่ายน้ําเป็นนะครับ<ไ>ว่ายไม่เป็นใช่ไหมเนี่ยไม่เป็ น, นครับมันไม่ใช่หมาใช่ไหมมีหน<ช>ีเสือนะ คนก็นโด่งลงไปในน้ได้ครับแล้วก็ดองถ้าถ้าหมาไหวได้นะไหวข้านะถ้าหมางวัวนี่ใช่ไหมเขาไหแต่สือไหวคงไหวไม่ได้ครับก็มีส่วนไหวนึ่งสือนะอันนี้แล้วก็กวนะวข้าอะไรเนี่ยไหวข้าไปอีกฝั่งหนึ่งก็ดีได้ครับ mm hmm. แล้วเมื่อการข้าฝั่งไม่มีเรือใช่ไหมสามารถไหวก็ได้เล ย, เลยครับ ดูกำลังตัวเวงก็แด้กันนดมีกําลังพอที่จะว่าข้าวป่าได้หรือเปล า, านะครับมีอันตรายก็ดีนะครับได้หนนี้เสืออะไรเนะี่ยใช่ไหมครับมีอันตรายแล้วพิสูจน์บ้าเป็นต้นก็ไม่ต้องอ้างบัตรนะครับมีอันตรายท่านพูดถึงอะไรอันตรายอะไรบ้ากคนไม่ได้พูดนะไม่ได้พูดนะครับหนี้เสือเป็นต้นหะน้าหรือนี้มาอะไรพูดนะนอนโดนไปหน้าใช้ไหมได้นะครับ สิขาบทนี้มีองค์สองเหล่านี้คือหนึ่งน้ำลึกทั่วข้อเทาาถ้าไปตีนะน้ำต้นขนเขาลงไปสองเล่นด้วยความสนุกสนานแค่องค์สองนะครับต้องบัาบรไปอีกตีนะสมุทฐานเป็นต้นเหมือนกับปฐมปราชิสิขาบทแหล่นะครับเท่าไหร่ครกายจิตนะครับมีจิตที่เป็นโลภะนะคิดอยากจะเล่นสนุกใช่ไหม แล้วก็เล่นด้วยกายแค่สองนะครับก็ต้องลำบัดแล้วนะจบการอธิบายภาษาธรรมสิกธาบทนะครับมันก็จะเป็นอะไรเป็นกิริยาใช่ไหมสัญญาพิโมกนะต้องโพ้นหน้าเพราะว่าไม่มีสัญญ า, ไ ม, มญญาไม่มีจิตทจะเล่นก็ไม่เป็นนะครับสัจจการต้องมีจิตถึงจะต้องครับโลกก ว, ว่าชาตินี้เป็นอกุศลอยมือนี้นะตอนนี้นเป็นโลภะนะครับอาการแก่กรรมอกุศลนั้นจิตมีเวรานาสามเวรานาสามเป็นโทสาก็ได้นะ อาจจะแข่งกันเล่นกัน่รงนี้นะอาจจะเกิดโพศักขึ้นมาากางช่วขณะด้นะครับว่ามีทนายทาลงานอะรอานี้เลค่ะการเล่นนี่คือปงองทุกอย่างเลยหอาอกหมนะออไม่ได้ อ, อ, อ, อาทกอย่างครับเฉพาะที่ท่านระบุไว้ไนะมีในบาวสมาแจ้า ก, ก็ในสิาขาวาตาที่างๆ มันจะมีเล่นหมาดลูกหมาดเก็บหมาดไว้เล่นวิ่งเปรี้ยวรถน้อยน้อยขนุน้อยน้อยอะไรนะเล่นของเขมรตีลังกางนะครับเล่นอะไรน่ะในปลาปลาหดสมาจาร์น่ะเยอะนะนั่นนะครับอ๋อครับออครับครับแหละผมก็จํำค่อยๆนานะอย่างที่แย่เลยเล่นไม้หุ่นเหมือนกับเด็กๆนักเรียนบ้านนอกเ้าเล่นกันนะ หนึ่งผ่านั้นแล้วก็หลาอย่างเลยเล่นวิ่งเล่นอะไรนะหลายคันเลยหกคเมนตเล่นกคอมเมนตีรังกาเนี่ยครับหัวทิมลงไปเลยครับอล้วก็ไอกรีนครับเล่นใไม่าเนี่ยเล่นใป่ผิวป่านครับทำไมมันเริ่มต้นไร ทครับมันมีคนเล่นนลายนะเล่นน้ำลายเป็นฟองแล้วก็ให้มันออกมาใช่ไหมมันมีเด็กบ้านนอกก็เล่นน้าลายกันเลยนั<อ> <c oughs> เป็นฟองบางทีไม่สมควรนะครับก็ยังคงยิ้มถ้ามีอาบานนะแต่ถ้าผิวปากรู้สึกมีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครผิวปากจะมีนะเป็นให้เป็นเพลยเป็นไรไม่ได้ะครับรู้สึกน่าจะมีครับนั้นแต่ผิวปาก ก็แต้มนะนอกจากว่ามีเหตุอะในนี้นะต้องดูผมไม่แน่ใจนะต้องไปดูนะครับข่าวนอกจากให้สัญญาณนี่น่าได้นะครับอันนี้ก็นี้จบก็ไม่มีอะไรนะครับทีนี้เราก็พูดถึงโดดลงไปในน้ํานะ <c oughs> พิสุขกระโดดลงในน้ํา <c oughs> จากฝั่งก็ดีจากต้นไม้ ก, ก็ดีเป็นปาจิตติเหมือนกันนะครับอยู่ที่ใจนะครับนี่นะ มันไม่ยัก <Okay. S 1> ถ้าโดนต้นอ่ะทองเียนึ่งสะพานขึ้นเขาประมาณนี้จะทำโดนไปถ้าผู้ชะยอ่านไม่เป็นอะไรก็ถ้ามันคิดจะเล่นไม่เป็นอะไร